บทที่สามสิบสี่สามมหาอำนาจมีม้าเร็วล่วงหน้ามาก่อนเพื่อประกาศให้ชาวนาครปาตลีบุตรทราบว่าขบวนทัพแห่งอโศกกำลังย่าตรามาถึงนครปาตลีบุตรในไม่กี่เพลาข้างหน้าม้าเร็วได้นำพระราชสาร ถึงพระอ克拉เมเหสีเวทิสาและสมเด็จพระชนนีวิมังสามาถวายด้วยในพระราชสารเป็นข้อความส่งความระลึกถึงมายัางสมเด็จพระราชช น, านีและพระอ克รเมเหสีรวมทั้งพระโอรสทิดาสตรีผู้มีบุญทั้งสองได้ทราบจากพระราชสารว่าการรบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย อโศกจะไม่ญาตตราทับเพื่อย่ำยีดินแดนใดๆอีกเลยเมื่อได้ทราบดังนี้สองสตรีรู้สึกตื้นตานจนต้องหลังพระอสุชนเป็นเวลา น, านานมาแล้วที่พระนางทั้งสองต้องทรงวิตกกังวลอย่างมากคราใดที่อโศกญาตตราทับออกจากพระนครคราวนั้นพระนางจะหลั่งน้าตาให้แก่ความไหวหวั่นว่าพระโอรสและพระสวามีของพระนาง จะสามารถกลับคืนสุนคนปรปลาตลีบุตรได้อีกหรือไม่ตลอดเวลาที่กองทัพยังไม่กลับมาพระนางก็ทรงกังวลห่วงใยคอยสดับตรับฟังข่าวอยู่ไม่เว้นว่างการเข้าสู่สมรภูมินั้นเป็นการยากเหลือเกินที่จะกำหนดได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะเสียชีวิตในเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ทรงทราบข่าวจากม้าเร็วว่าอาโศก จะไม่ทรงญาติราทัพต่อไปอีกแล้วพระนางเองหรือจะไม่อิ่มเอมพระทยัยประหนึ่งหมูมัดฉากระวนกระวายอยู่ในแอ่งน้ำที่มีน้ำน้อยเมื่อพระพิรุณหลั่งลงมาก็ปราโมทและมีหวังในชีวิตตนดูเถิดพระราชชนนีและพระมเหสีของพระองค์ยังทรงกังวลอยู่ตลอดเวลาที่พระองค์ญาติราทัพ และมีชีพอยู่ในทุ่งยุทธสมกรามก็คนอื่นเล่าไม่มีลูกไม่มีแม่และภรรยาอย่างเช่นพระองค์หรือเขาเหล่านั้นต้องคิดถึงกังวลใจเช่นเดียวกันถ้าสามีและลูกของเขาตายหรือบาดเจ็บในสมกรามจนถึงต้องพิการไปตลอดชีวิตเขาจะรู้สึกอย่างไรสิ่งที่พระราชาทรงมอบให้เป็นเครื่องตอบแทนชดเชย ลูกและสามีที่ต้องสูญเสียในชีวิตไปนั้นจะสามารถทำให้ดวงใจของแม่และลูกเมียเต็มบริบูรณ์ได้หรือเขาต้องจำใจรับสิ่งชดเชยชีวิตลูกและสามีหรือพ่อเพราะเขาไม่มีทางเลือกเท่านั้นเพราะอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจเรียกคืนมาได้ซึ่งชีวิตที่ดับแล้วข่าวเรื่องอโศกญาติตราทัพกรับนครปาตลีบุตร พร้อมด้วยชัยชนะแคว้นกาลิงทำให้ชาวเมืองปราโมทอย่างใหญ่หลวงยิ่งกว่านั้นเมื่อข่าวเรื่องพระองค์ตกลงพระทยยุติสมกรามอย่างเด็ดขาดแพร่สะพัดไปยิ่งก่อความโสมนัสแก่ทวยราชสุดจะกล่าวได้คนชรายกมือท่วมศีรษะพร่ำอวยพรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระชนมายุยาวนาน ข้าวเหล่านั้นต่างมีความรู้สึกเหมือนกันว่าต่อตอนี้ไปลูกจะไม่ต้องจากแม่สามีไม่ต้องจากภรรยาประหนึ่งพระราชาได้มอบสมบัติอันเป็นที่อิ่มใจที่สุดให้ประชาชนต่างชวนกันตกแต่งบ้านเรือนถนนหนทางอย่างสวยงามประดับด้วยธงชัยและธงแผ่นผ้ามีดอกไม้ธูปเทียนวางไปตามรายทางเสด็จ บ้างกระตกแต่งซุ้มประตูอย่างเพลิดพลายทั้งนี้เพื่อแสดงความปรีดาต่อการเสด็จกลับมาแห่งพระราชาตนและการกลับมาของหมู่ญาติจอมจกกักรพรรดิประทับบนราชรถเทียมด้วยม้าขาวสี่ตัวรายล้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และอำมาตย์ราชมนตรีมองดูประหนึ่งสุริยปราคาทรงกรดแจ่มใสอยู่ในหมู่เมฆ เมื่อรถพระที่นั่งมาถึงหน้าที่ใดเสียงโห่ร้องกึกก้องก็ดังขึ้นสนันวันไหวณที่นั้นพระราชาทอดพระเนตรความจงรักภักดีของประชาชนแล้วมีพระไทยเบิกบานและทรงตั้งพระไทยมั่นยิ่งขึ้นว่าจะทรงทมนุบำรุงประเทศและประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทรงสามารถคำทำนองนี้เป็นความคิด และวาจาของคนตั้งใจทางานจริงอยู่ความสามารถของคนเรามีระดับขีดขั้นไม่เท่ากันแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าความสามารถของเรามีขีดขั้นแค่ไหนในเมื่อเรายังไม่ได้ทดลองความสามารถหรือยังไม่ได้ใช้ความพยายามเลยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจทำหรือทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถความจริง ความสามารถในตัวบุคคล น, นั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ที่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้นั้นก็เพราะรีบทึกทักเสียก่อนว่าไม่สามารถอย่างไรก็ตามสมรรถนะวิสัยของบุคคลย่อมมีระดับไม่เท่ากันมีขีดสูงสุดที่ต่างกัน เหมือนไม้ที่มีพันใหญ่พันเล็กไม้พันเล็กกับไม้พันใหญ่แม้ทั้งสองพันจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็ใหญ่ไม่เท่ากันแต่ไม้พันเล็กอาจเติบโตเมื่อไม้พันใหญ่ไม่มีโอกาสเจริญเติบโตได้เต็มที่แม้ในบุคคลที่มีระดับความสามารถไม่เท่าเทียมกันแต่ก็ยังมีความถนัดแตกต่างกัน ความสามารถของบุคคลจะเจริญเติบโตถึงขีดสุดในสิ่งที่ตนถนัดเท่านั้นดังนั้นคนที่มีความสามารถสูงมากในสิ่งหนึ่งอาจจะมีความสามารถต่ำในอีกสิ่งหนึ่งเหมือนเครื่องมือช่างไม้สิวมีความสามารถสูงในการเจาะแต่เลื่อยมีความสามารถสูงในการเลื่อยไม้ให้ขาดดังนี้เป็นต้นด้วยการยอมรับรู้ความจริงดังกล่าวนี้ ทำให้เราหายข้องใจว่าเหตุใดคนที่สําเร็จการศึกษามาจากสถาบันเดียวกันจึงมีความสามารถในการทำงานไม่เท่ากันส่วนข้อความตอนต้นทำให้เราไม่รีบดูหมิ่นความสามารถของเราเร็วเกินไปอะไรๆก็ไม่สามารถทั้งที่ไม่ได้ลองไม่ได้ใช้ความพยายามเลยอีกอย่างหนึ่ง ความตั้งใจมีบทบาทสำคัญอยู่มากในการทำงานและในการประพฤติทธรรมหรือในการยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นถ้ามีความตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่สุดงานก็มักจะดีตามที่ตั้งใจถ้าตั้งใจว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ทุจริคตคดกงจะเป็นคนดีได้จริงถ้าความตั้งใจนั้นมีเหตุให้ล้มไป ก็รีบตั้งใจใหม่ให้มีความตั้งใจอยู่เสมอว่าจะทําอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งก็จะได้สิ่งที่ต้องการเรื่องสำคัญที่พึงสังวรคืออย่าเป็นคนด่วนได้ใจร้อนทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เองตามความเหมาะสมแห่งการและเหตุที่ทำ สิ่งที่ให้ผลเร็วนั้นมักจะให้ผลไม่ยั่งยืนมั่นคงอะไรเหมือนการปลูกสร้างกระท่อมกับสร้างตึกใหญ่กระท่อมสร้างเสร็จก่อนได้อยู่อาศัยก่อนผู้สร้างได้เห็นผลการกระทาก่อนอย่างรวดเร็วแต่การสร้างตึกใหญ่จะต้องมีรากฐานมั่นคงอาศัยเวลานานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วย่อมทรงตัวอยู่ถึงหนึ่ปีหรือมากกว่านั้น คุณความดีสร้างหรือความชั่วที่บุคคลทาเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนจะเร็วหรือช้าเท่านั้นกรรมจะให้ผลต่อเมื่อสุขงอมเต็มที่ผู้ตั้งใจทาความดีจึงควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยสองประการคือความเพียรพยายามในการทำดีอย่างไม่ท้อถอยพาสิทธในทางพุทธศาสนาที่ว่า ปิตารามานานังพลาสาวะสมิจฉิแปลว่าความหวังในการได้รับผลย่อมสําเร็จแก่ผู้จักกรอคอยนั้นยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอคนใจร้อนด่วนได้จะทำอะไรก็ให้รู้สึกว่าได้รับผลไม่ทันใจเส้เรื่อยไปจึงไม่อยากจะทำอะไรเมื่อเป็นดังนี้แม้จะหวังผลก็ไม่ได้ดังหวัง แม้ในชีวิตที่เป็นส่วนโลกียะล้วนเช่นหนุ่มสาวที่รักกันรอคอยด้วยการบ่มรักก็ยังมีความหมายแก่ชีวิตมิใช่น้อยในขณะบ่มรักเป็นระยะเวลาที่หนุ่มสาวมีความสุขชื่นบานเพราะเขาอยู่ในห้วงชีวิตที่กึ่งจริงกึ่งฝันในสามัญสํานึกของโลกียะชนชีวิตถ้าจริงไปเสียหมดก็ตึงเครียดเกินไป แต่ถ้าฝันเสียหมดก็เลื่อนลอยเกินไปการบ่มรักมีความหมายต่อชีวิตอยู่ไม่น้อยถ้าในระหว่างที่บ่มจวนสุกอยู่แล้วคนอื่นมาแย่งไปเสียก็แล้วไปหาบ่มเอาใหม่ผู้ดีเขาไม่ตะกระตะกรามบริโภคอาหารที่ยังไม่สุกหรืออาหารที่ร้อนเกินไปความสุขในชีวิตรักและสมรสน่าจะอยู่ที่ความเข้าใจกันเป็นอันดี และองค์ประกอบอื่นๆอีกบ้างจอมจั ก, กรพรรดิอโศกทรงได้รับการต้อนรับจากประชาชนของพระองค์อย่างอบอุ่นยิ่งโดยเฉพาะพระนางวิมังสาเทวีพระราชชนนีและพระนางเวทิสาอัครมเมหสีต่อไปนี้วิถีชีวิตของพระองค์จะเปลี่ยนมาแนวใหม่แนวที่จะให้ความสุขสงบแก่พระองค์เองพระปรโยลญาต และไร้ฟ้าประชาชนทั่วไปพระองค์คงจะทรงได้มีโอกาสเปรียบเทียบว่าชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ของพระองค์นั้นแตกต่างกันอย่างไรในความหมายของชีวิตราตรีนั้น พระองค์บรรทมบนแท่นบรรทมอันมีสิริแสงจันในดิถีสุกรับปากสาสองทางบาลพระแกรกระทบพระวรากายรู้สึกเย็นจำชุ่มชื่นพระไทยทั่วนครป่าตาลิบุตรยังมีประทีปโคมไฟสว่างสวัยอยู่เสียงประโคมดนตรีและเสียงการละเล่นอื่นๆดังเคล้ามากับกระแสลมเป็นครั้งคราว ทรงตื่นบรรทมเมื่ออรุณเริ่มเบิกฟ้าแล้วหลังจากชำระพระทนล้างพระพักและสงแล้วทรงฉลองพระองค์ด้วยพระภูสามใหม่เนื้อ น, นิ่มแล้วประทับยืนรับลมหประสาทชั้นบนจินตนาการของพระองค์ยอกย้อนไปมาไม่หยุดนิ่งภาพแห่งทะเลเลือดและแคว้นกะลิงยังติดพระเนตรอยู่ขณะดนั้นเอง สมณะผู้หนึ่งสาวกแห่งพระสกยะมุนีพุทธเจ้าออกบินธบทเดินด้วยอาการสำรวมมีในตาทอดลงตามปราศจากอาการหลุกลิกใดๆผ่านมาทางประสาทภาพหนึ่งพระองค์เคยเห็นแต่ไม่เคยสนพระทัยเลยนั้นบัดนี้ทำให้พระองค์ต้องคิดคิดว่าภายในกาสาวพัฒนี้น่าจะมีความสงบอยู่เป็นแน่แท้ ผู้ที่แฝงกายอยู่ใต้ร่มกาสาวะพัดจึงดูมีอาการสำรวมระวังเป็นพิเศษกว่าคนสามัญจึงมีพระกระแสรับสั่งให้ราชบุรุษไปรัตนาสมณนะรูปนั้นมาเฝ้าพระองค์เสด็จคอยรับอยู่ณนะประสาทชั้นล่างรับสั่งให้จัดแจงชัดชโพชนาหารไว้ถวายเมื่อสมณะรูปนั้นนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าอาโศกก็น้อมนำขาธนียะโภชน ي ยารเข้าไปถวายท่านรับด้วยอาการสำรวมไม่ได้ตื่นเต้นดีใจหรือแสดงกิริยาใดๆเลยยิ่งทำความประหลาดพระทัยแก่จอมจักรพัฒน์มากขึ้นจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าท่านเป็นสาวกของพระโคโดมพุทธเจ้าหรือขอถวายพระพร อาตมาภาพเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณเจ้าอโศกตรัสทอดพระเนตรสมณะผู้นั้นอย่างเพ่งพิจข้าพเจ้าสังเกตว่าพระคุณเจ้ายังอยู่ในวัยหน่มแน่นถ้าข้าพเจ้าดูไม่ผิดท่านคงมีอายุไม่เกินยี่สิบพรรษาเกษาของท่านยังดำสนิทในตายังมีแววแจ่มใส สรีระทั้งหมดของท่านไม่มีแววแห่งชราลักษณะอยู่เลยเมื่อเป็นดังนี้อะไรทำให้ท่านสละโลกียสุขอันเป็นที่อภิรมยิ่งแห่งปุถุชนทั้งมวลอะไรทำให้ท่านพอใจในเพศบรรพชิตบำเพ็ญตนเป็นอนาคาริกรมุนีผู้ไม่มีเรือนขอถวายพระพร สมณะผู้นั้นทูลได้น้ำเสียงเรียบเป็นปกติอาตมาภาพได้ทราบมาจากพระอาจารย์ว่าพระผู้มีพระภาคทรงเตือนไม่ให้ประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตควรประพฤติพรหมจารย์รีบประพฤติทมเสียไม่ต้องรอคอยในวัยชลาแล้วคอยตั้งหน้าทำความดีประพฤติพรหมจารย์ เพราะถ้าถึงเวลานั้นเข้ามือเท้าอาจไม่อำนวยให้ขวนขวายเพื่อความดีและพอเริ่มทำความดีได้ไม่เท่าไรความตายอาจมาถึงเสียแล้วอันหนึ่งทัศนะเกี่ยวกับโลกคือหมู่ชนพระผู้มีพระภาคแสดงว่าคนทุกคนชาราดึงเข้าไปหาความตายอยู่ทุกๆุกวันไม่ยั่งยืน โลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเอิม่มไม่รู้จักเบื่อจึงต้องเป็นาธาตุของตัญหาแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสมณารูปนั้นหยุดนิดหนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่ามหาบอพิธ อาตมาภาพตรองเห็นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงนี้จึงพอใจในเพศบรรพชิตประพฤตินตนเป็นอนาคาริกามนีตั้งแต่ยังนมพระเจ้าอาโศกนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วมีรับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านี่พระคุณเจ้ากล่าวว่าโลกไม่มีผู้เป็นใหญ่ไม่มีใครต้านทานนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ธรรมดาในโลกย่อมมีผู้เป็นใหญ่ตามลำดับชั้นตั้งแต่หมู่บ้านไปจนถึงประเทศข้าพเจ้าไม่แจ่มแจ้งในคำของพระคุณเจ้าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าความแก่และความตายทุกคนจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้ยังมีความเจ็บป่วยอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เยี่ยมกลายเข้ามาบีบคั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เนืองเนืองมหาอํานาจทั้งสานี้คือความแก่ความเจ็บและความตายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีอํานาจย่ำยีบีบคั้นมนุษย์ทั้งโลกให้ยินยอมโดยไม่มีทางเลือกไม่มีทางหลีกเลี่ยง พระคุณเจ้าข้อว่าเป็นทาตของตัณหาเล่ามีความหมายอย่างไรมหาบอพิศก่อนอื่นขอให้พระองค์ทรงทราบความหมายของคำว่าตัณหาเสียก่อนตัณหาคือความดิ้นรนความร่านใจพอจะแบ่งได้เป็นสามลักษณะคือหนึ่งดิ้นรนอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะ พระผู้มีพระภาคทรงเรียกความดิ้นรนชนิดนี้ว่ากามตัญหารูปนั้นหมายถึงสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาทั้งหมดเป็นวิสัยแห่งจักสุโผดทับพะคือสิ่งที่คู่กับกายสามารถถูกต้องได้ด้วยกายสองดิ้นรนอยากเป็นคืออยากเป็นนั่นบ้างอยากเป็นนี่บ้างอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคทรงเรียกว่าภวะตันหาสาดิ้นรนผลักคือสิ่งที่ได้แล้วเป็นแล้วและเกิดความอึดอัดไม่พอใจขึ้นภายหลังจึงอยากจะผลักให้พ้นไปให้หมดไปบางอย่างเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลักให้พ้นไปได้ยากเขาจึงต้องตกอยู่ในภาวะแห่งความดิ้นรนพระผู้มีพระภาคทรงเรียกความดิ้นรนชนิดนี้ว่า วิภาวะตัณหาขอพระองค์พึงตรองโดยพระปัญญาอันแหลมลึกเถิดจะทรงเห็นด้วยพระองค์เองว่าความดิ้นรนของมนุษย์ไม่พ้นไปจากลักษณะทั้งสามประการที่อาตมภาพถวายพระพรมาอันหนึ่งตัณหาความดิ้นรนนี้มีอยู่สองชั้นสองระดับคือชั้นหยาบให้เห็นง่าย ท่านเรียกว่าวิสติกาตัญหาหมายถึงความดิ้นรนที่ออกมารับอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องโผล่ับพระและใจได้รับรู้อารมณ์ทุกครั้งที่ตาได้เห็นรูปเป็นต้นถ้าเกิดความไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนา คือรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าเกิดความพอใจก็เป็นสุขเวทนาเสวยอารมณ์สุขถ้าเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาแต่ความจริงอุเบกขาเวทนานั้นคือความสุขอ่อนๆถ้าจัดเวทนาเป็นสองอุเบกขาเวทนาก็รวมเข้าในสุขเวทนาเมื่อได้รู้สึกเป็นสุขเมื่อนั้นใจก็จะน้อมไปในกามตัญหา และภวะตัณหาเมื่อใดรู้สึกเป็นทุกข์ใจก็จะน้อมไปในวิภวะตัณหาทำให้ดิ้นรนต่อไปตัณหามีความเข้มข้นขึ้นจะแปลรูปเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราตัณหาขั้นละเอียดนอนนิ่งอยู่เมื่อถูกกวนด้วยอารมณ์ร้าวอย่างแรงจึงปรากฏออกมา ตัณหาชนิดนี้ท่านเรียกว่าวัตโมูลกาตัญหาหมายถึงตัญหาที่เป็นมูลแห่งวัตสงสารการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดบางทีท่านเรียกว่าตัญหานนสัยอาตมาภาพขออ้างอิงพระพุทธ ภ, ภาษิต ท, ที่ว่าเมื่อรากไม้ยังไม่มั่นคงไม่มีอะไรทำลายแม้กิ่งและใบก็ถูกริดรอน ต้นไม้นั้นก็สามารถงอกงามขึ้นได้อีกชั้นใดทํานองเดียวกันเมื่อบุคคลยังถอนตัณหานุษสัยขึ้นไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆชั้นนั้นอาตมาภาพขอยกตัวอย่างเช่นบุคคลผู้ได้ฌานหรือผู้เจริญอสุภะกรรมฐานจนจิตสงบมีอาการเสมือนผู้ปราศจากราคะตัณหานั้นละเอียดถูกข่มไว้ด้วยกําลังฌาน และกำลังสมาธิแต่เมื่อถูกวิสภาคารมเช่นรูปที่สวยงามมายั่วยวนเผลอใจไปกำลังชาญและกำลังสมาธิสลายลงกิเลสก็โฟกขึ้นประดุษตินชาติซึ่งก้อนศิลาทับไว้เมื่อเพิกศิลาออกยา ก, ก็จะงอกงามอย่างเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมเสียอีกภายในห้องเงียบ พระเจ้าอโศกเพ่งพิษสมณะนเบื้องหน้าพระพักนิ่งอยู่สมณะผู้นั้นคงนั่งสำรวมอินทรีย์อย่างเดิมมีจักษุทอดลงต่ำจอมคนแห่งมคตทารัตจึงเอ่ยพระวาจาว่าพระคุณเจ้าพระธรรมของพระโคตมะพุทธนั้นข้าพเจ้าเคยทราบว่ามีมากเหลือเกินถ้าจะกล่าวโดยย่อพระธรรมนั้นมีประมาณเท่าใด ขอถวายพระพรอาตมาภาพทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคทรงประมวลธรรมของพระองค์ลงในความไม่ประมาททรงเปรียบความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้างกว่ารอยเท้าแห่งปานกันาตาทั้งมวลแม้ปัจชิมพ์แห่งพระพุทธองค์เมื่อปรินิพานสมัย ก็ส่งย้ำให้ภิกษุทั้งหลายตระหนักในความไม่ประมาทพระคุณเจ้าอาการของความไม่ประมาทนั้นเป็นอย่างไรพระคุณเจ้าอาการไม่ประมาทนั้นเป็นอย่างไรขอถวายพระพรอาการของความไม่ประมาทนั้นคือระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันน่ากำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองแม้ในอารมณ์ที่หน้าขัดเคือง ระวังใจไม่ให้หลงแมในอารมณ์ที่น่าหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมาจอมจกกักรพัฒน์ทรงสดับคำถวายวิสัชนาและทรงปีติประโมทนมั ส, สการแล้วตรัสว่าพระคุณเจ้ากถาของพระคุณเจ้าสละสลวยภาษาไพเราะเนื้อทำงามทั้งเบื้องบนท่ามกลางและที่สุดข้าพเจ้าพอใจในธรรมกถาของพระคุณเจ้า ทำไฉนข้าพเจ้าจะได้รู้จักนามพระคุณเจ้าบ้างมหาบา่อพิษอาตมาภาพยังเป็นสามเณรอยู่เพื่อนเหล่ากอแห่งสมณะเรียกอาตมาภาพว่านิโครทะสามเณรอัศ จ, จริงสามเณรอัศ จ, จริงสาวกของพระโคตมะพุทธะเฉียบแหลมไม่น้อยเลยอาการที่แสดงออกเล่า ก็เป็นอาการของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วจอมจักพัททรงอังฆาสมเนนด้วยขาทนิยโพชนียารจนพอแก่ความต้องการด้วยพระทยัยเอิบอิ่มประโมทพระองค์ทรงมีความรู้สึกก่มเย็นเหมือนบุคคลผ่าโครนมาในยามเที่ยงได้นั่งพักนรกขมูลอันเรื่นรมฉะนั้น